Thank <whistles> you.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 พอตัวเขเล็กนะนักเรียนตัวใหญ่ก็แกล้งเขานะแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาก็สู้นะเรียนจบมาคะแนนก็ไม่เคยดีเท่าไหร่สอบเข้ามมยาลัยสามแห่งก็ไม่ได้สามครั้งก็ไม่ได้นะแต่สุดท้ายก็ได้เข้าวิทยาลัยเรียนจบมาแล้วก็สมัครหางานทําก็ถูกปฏิเสธเพราะว่าเนี่ยถูกปฏิเสธถึงสาสิครั้งนะ สมัครงานสามสิบแห่งก็ไม่มีใครรับเขาเลยสักแห่งไปเป็นตำรวจตำรวจก็บอกว่าเขาไม่มีความสามารถพอมีความนึงก็หมูบเมืองเขาเนี่ยเปิดร้าน KFC นะ KFC ก็มีคนไปสมัครยี่สิบสี่คนนะ mm. เขารับยี่สิบสามคนแรกนะส่วนเขาเนี่ยคนที่ย4ิบสี่นี้ไม่รับนะผมเจ็บปวดนะ สมองยี่บสี่คนนะทุกคนได้หมดเลยอยู่เป็นเขานะแต่สุดท้ายเนะี่ยเขาก็สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจนร่ำรวยนะแล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันในในเมืองนอกมาเพราะว่าไอ้บริษัทของเขาเนี่ยไอ้หุ้นของเขาเนี่ยอีลีบาบามันไปไปเ <Yeah. S 1> รื่องไปเปิดไปขายหุ้นนะมีการเปิดขายที่ที่อเมริกานะวอล์สตูดิก็คนก็แห่ซื้อนนะเพราะว่า กิจการเขามันใหญ่โตมากมีคนใช้มีคนซื้อขายผ่านอีเบอบานี่วันละร้อยล้านคนนะร้อยล้านคนนี่ก็คือก็มากกว่าประชากรไทยนะซื้อขายกันนะ่ะซื้อขายผ่านกิจการผ่านออนไลน์คนละ้ายอเมซอนแต่ว่าใหญ่กว่าอเมซอนเยอะอเมซอนนี่ก็ใหญ่แล้วนี่อีบอบามันใหญ่กว่าเยอะเพราะประเทศจีนี่ประชากรมันต้องพันล้านคน แล่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมในต่างประเทศด้วยคนก็ไปหาซื้อคุณของเขาคุ้นเขาก็เลยสูงมากนะแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จแบบนี้เนี่ยนะคนก็ไม่ค่อยรู้นะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะก็เจอความล้มเหลวเยอะนะสมัครงานก็ไม่ได้นะถูกปฏิเสธสามสิบแห่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถึงแม้จะ สมัครงานไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนล้มเหลวไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความหวังอนาคตเราจะดับบุบนะหรือว่าถึงถูกประเสธนะมากกว่านั้นนะก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะจบเพลนะมันนี่มีทางไปบางคนไป ส, ไปสมัครงานไม่ได้นะสี่ห้าครั้งก็เลิกแล้วชีวิตชันหมดอนาคตแล้วนะอันนี้ไม่ใช่นะ อันตัวอย่างแบบนี้มีเยอะทีเดียวคนที่เขาถูกปฏิเสธหา ง, งานทําไม่ได้นะแต่ว่าสุดท้ายเขากกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วมองดูดีๆนะการที่เขาถูกปฏิเสธไม่ให้ทํางานที่นนที่นี่เช่นไม่ได้รับเป็นพนักงานเคเอซีเนี่ยดูดีๆนะมันไม่ใช่ครองนะมันเป็นโชคนะเพราะว่าถ้าเขาได้รับ เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน KFC อาจจะไม่รวยอย่างทุกวันนี้ก็ได้นะก็อาจจะรับกินเงินเดือนไปนะเป็นวันๆไปหรืออย่างมากก็อาจจะเปิดกิจการขายคล้ายๆ KFC แต่การที่เขาตกงานเนี่ยทำให้เขาเนี่ยก็เลยต้องไปเป็นครูสอนสอนต้องสอภาษาอังกฤษนะเป็นครูสอนแบบส่วนตัวนะ ไม่ได้เป็นครูในโรงในโรงเรียนแลวตอนหลังก็จับพ้าจับผูไปเป็นล่ามให้กับบริษัทธุรกิจคนจีนในอเมริกาแล้วก็เลยรู้จักอินเทอร์เนต็ตนะรู้จักว่ามันมีการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เนต็ตแล้วเขาก็เลยเริ่มเปิดกิจการนะไม่มีทุนทำร้านของตัวเองก็นะเปิดกิจการออนไลน์นะ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 ซื้อข้าวปลาอาหารพอประทังชีวิอยู่ได้แล้วก็เรียนหนังสือเองนะมีหนังสือเกี่ยวคอมพิวเตอร์นะเก็บได้ก็เอามาเรียนเองต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ต้องเรียนหาวิชาความรู้เองจนกระทั่งมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็ไปสมัครงานทํางานกับยูฮูนะทํางานมาสิบปีก็ความรู้ก็พอกพูนมากขึ้น เสร็จแล้วก็เบื่อนะลางานไปเที่ยวสองปีที่เม็กซิโกกลับมาจะมาสมัครงานทำนะไปสมัครงานที่ไหนนะตอนนั้นเฟ c บ b ๊ o k นี่ก็เริ่มดังแล้วก็วไปสมัครงานกับเฟซบุ o กนะ a c e b o o k ไม่รับนะสักก็เบื่อไม่รับตกงานตกงานสองปีแต่แทนที่จะแทนที่กลายเป็นคราหนะกลายเป็นโชคนะเพราะว่าลวงที่ตกงานเนี่ยไม่มีงานทำก็เลย คิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมนี้มีชื่อมากในภายหลังเชื่อว่าสแ p ปนะ s แอ p นี่คล้ายกับ l ลน e นะ l ล n e เนี่ยคนไทยนิยมมากนะแต่ว่าถ้าในเมืองนอกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ย w h s a อ p ดังกว่ามีคนใช้ w h a t เนี่ยประมาณ450ล้านคนป่านนี้ก็500ล้านคนแล้วมั้งไลน์นี่ใช้ไม่รู้ถึงร้อยล้านคนด้วยป่าแต่ว่า WhatsApp นี่ใช้กันเยอะมากนะถ้าไปยุโรปอเมริกานี่ก็ใช้สแอปกันทั้งนั้นน่ ตอนหลังแซกก็เบิดสนใจนะก็เลยขอซื้อนะขอซื้อนะแซกก็เบิดคนเดียวที่เคยเปฏิเสธไม่รับงานไม่รับเข้ามาทำงานเนี่ยตอนนี้ต้องมาซื้อซื้อกิจการของเ้านาะวอชเนาะซื้อเท่าไหร่รู้มสองหมื่นล้านดอลลาร์นะสองหมื่นล้านดอลลาร์นะก็กลายเป็นว่ารวยไปเลยนะั้นในในยานเนี่ยกับเพื่อนชื่อไบรอันรวยไปเลยนะที่รวยเพราะอะไรเพราะว่า ตกงานนะซักกระเบิดไม่รับเข้าทางานเฟซบุ๊กกันเลยต้องมาเขียนโปรแกรมแล้วก็โปรแกรมก็ดันดีซะด้วยการตกงานนี่บางทีมันเป็นโชคนะแต่ว่าเป็นโชคอัมพรางนะเพอาะใครๆก็น่าเป็นเคราะห์สมัครงานไม่ได้นี่ก็เป็นโชคนะแต่เป็นโชคอัมพรางนะเพราะว่าแรกๆคนก็ไม่ชอบนะแต่ว่ามันเป็นการเปิดให้เขาไปหาโอกาสใหม่ก็ทำให้ จับเส้นถูกก็รวยไปแต่นายนายยา น, นี่แกก็ดีนะแกก็ไม่ได้เป็นคนโลภเท่าไหร่นะได้เงินมาแกก็ยังใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายแล้วก็พยายามเอาเงินไปทําประโยชน์อย่างอื่นต่อไปอนี้ก็เราเรื่องแ บ, บนี้เนี่ยฟังเอาไว้นี่ก็เอามาเตือนใจได้ดีนะเวลาเราประสบความประสบปรสรพศนะตกงานหางานทําไม่ได้หรือว่า เจ็บป่วยเนี่ยดูดีๆอาจจะเป็นโชคก็ได้เตรียมรับพร